ปล่อยวางหรือสร้างภาพปล่อยวางจริงจิตจะเบาจริงแต่ถ้าแกล้งปล่อยวางสมองจะแค่สร้างความเบากายทั้งที่ใจจริงๆยังแอบหนักอึง้งหลายคนอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์และจําข้อสรุปสั้นๆได้ขึ้นใจข้อเดียวคือปล่อยวางซึ่งมาเป็นเช่นนั้น พอเจอเรื่องหนักอกก็จะนึกถึงอาการที่ใจเคยปลดภาระหรือปร่งตกกับปัญหาหนักอึ้งบางอย่างได้มาก่อนแล้วพยายามเรียนแบบอาการนั้นพูดง่ายๆคือพยายามเรียนแบบความเบาใจหรือความโล่งอกในอดีตพอรู้สึกเบาลงได้นิดหนึ่งก็สรุปว่าตนเองปล่อยวางแล้วทำตามหลักการปฏิบัติธรรมขั้นสูงในพุทธศาสนาแล้ว ที่จะปล่อยวางในแบบวางได้จริงนั้นไม่อาจเป็นไปได้ด้วยการนึกเอาไม่อาจเป็นไปได้ด้วยการแกล้งทำใจปลงตกและไม่อาจเป็นไปได้ด้วยการสอนตัวเองด้วยเหตุผลเพราะเหล่านั้นยังเป็นเพียงการทำงานของสมองสมองปล่อยไปแต่ใจยึดอยู่มันก็ไม่จบสำรวจใจตัวเองได้รู้สึกด้วยใจตัวเองได้ ขอให้สังเกตจักของจริงในตนสมองคนเราจะลาดคิดได้ชั่วคราวเมื่อใดจัดระบบความคิดให้เป็นระบบได้ก็รู้สึกดีรู้สึกเหมือนเข้าใจรู้สึกเหมือนเข้าเป้าแล้วแต่เมื่อใดสมองเข้าโหมดคิดสุ่มดึงเรื่องไม่ดีเก่าๆามาเข้าหัวให้สับสนอีกก็กลับไปกลับมาเปลี่ยนเป็นรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนไม่เข้าใจอะไรเลย รู้สึกเหมือนย่ำอยู่กับที่ไม่เคยออกจากจุดเริ่มต้นสักทีในทางพุทธเมื่อกล่าวถึงการเจริญสติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นการฝึกจิตข้ามพ้นจากการฝึกสมองกล่าวคือเมื่อใดสามารถดัดจิตให้ตรงด้วยศีลและสมาธิก็จะสามารถใช้จิตที่ตรงแล้วนั้นไปรู้ความจริงทางกายใจ ที่กำลังปรกากฏยงต่อเนื่องลมหายใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุทุกข์เปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละลมหายใจสภาพจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอาการสุกขทุกข์ความนึกคิดปรุงแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพจิตเร饶รวนบ้างมั่นคงบ้างสลับสลับกันไปไม่เห็นอันไหนหน่ายึดเป็นตัวเป็นตนสักอย่างนั่นแหละ อาการปล่อยวางเลือกิดมันถือมันจึงเกิดขึ้นจริงไม่แอ บ, บหนักไม่แอ บ, บเก็บกดเปล่าโดยย่นยอ่อถ้านึกถึงความเบาชั่วอึดใจเดียวแบบนั้นคือสมองคิดแกล้งปล่อยวางชั่วคราวแต่ถ้าระลึกถึงความไม่เที่ยงในกายใจไปเรื่อยๆแบบนั้นจิตจะค่อยๆสว่างค่อยๆฉลาด สะสมอาการรู้จริงทีละครั้งทีละหนจนถึงจุดหนึ่งที่ปล่อยวางจริงได้ถาวร